ในหลักของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขานั้นได้กล่าวไว้ว่ากายวิญญาตและวจีวิญญาตทั้งสองนี้มีจิตเป็นสมุทฐานกายวิญญาตหมายถึงการเคลื่อนไหวทางกายซึ่งมีความหมายเช่นการทำงานของหัวใจเราสามารถอธิบายได้ว่า หัวใจเต้นเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นขอให้สังเกตว่าพฤติกรรมของอวัยวะทุกอย่างในร่างกายมีความหมายทั้งสิน้นพฤติกรรมที่มีความหมายทุกอย่างในร่างกายนี่แหละที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากายวิญญัตและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่ากายวิญญัตมีจิตเป็นสมุดฐานซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมทุกอย่างที่มีความหมายนั้นเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ากระแสประสาทซึ่งเป็นตัวการบังคับให้อวัยวะต่างๆทํางานหรือมีการเคลื่อนไหวนั้นความจริงก็คือกระแสจิตหรือกระแสวิญญาณนั่นเองว่าจีวิญญาตหมายถึงการเคลื่อนไหวทางวาจาซึ่งมีความหมาย ซึ่งก็ได้แก่การพูดนั่นเองเสียงที่ออกจากปากทุกคำจะสังเกตได้ว่าเกิดจากความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าวจีวิญญาตมีจิตเป็นสมุดฐานแน่นอนนอกจากจิตหรือวิญญาณจะเป็นตัวการบังคับควบคุมอวัยวะต่างๆให้ทำงานแล้วอย่าลืมว่า จิตหรือวิญญาณคือตัวธรรมชาติที่สร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้โดยไม่ยากด้วยการเข้าสมาธิไปดูคนที่กำลังจะตายซึ่งจะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้นและจากการเปรียบเทียบกายเนื้อกับกายทิพย์ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากายทิพย์เกิดจากจิตนั้นทำให้รู้แน่ชัดว่า กายเนื้อก็เกิดจากจิตเหมือนกันซึ่งก็เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอันหนึ่งอย่าลืมว่าจิตหรือวิญญาณมีสองประเภทคือจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกจิตสํานึกมีปรากฏการเห็นได้ชัดเช่นการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสรู้สึกสัมผัส และความรู้สึกนึกคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ของจิตสํานึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิถีจิตส่วนความรู้สึกภายในที่เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะก็คือปรากฏการณ์ในความฝันนานก็คือการแสดงออกของจิตใต้สํานึกซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าผวังคจิต ตลอดถึงความรู้สึกภายในที่บังคับควบคุมอวัยวะภายในต่างๆให้ทำงานเช่นบังคับหัวใจตับกระเพาะลำไส้เหล่านี้เป็นต้นก็คือความรู้สึกหรือพลังจิตของจิตใต้สํานึกนั่นเองเมื่อได้รู้ถึงข้อเทจจริงต่างๆดังที่กล่าวมานี้เข้าใจว่าทุกคนก็จะต้องยอมรับว่า อำนาจจิตหรือพลังจิตนั้นมีแน่นอนและเป็นพลังที่เราใช้อยู่เสมอทุกขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายฉะนั้นถ้าใครจะปฏิเสธว่าอำนาจจิตไม่มีก็ต้องหมายถึงว่าผู้นั้นไม่เข้าใจเรื่องจิตของตัวเองอันที่จริงเรื่องอำนาจจิตดังที่ได้ที่บายมานาน คนส่วนมากไม่มีใครสนใจหรือสงสัยเพราะรู้กันอยู่เป็นปกติธรรมดาแต่ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ออกมาอีกก็เพราะปัจจุบันได้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าการที่เราจะเอาชนะเหตุการณ์ต่างๆหรือแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆในโลกนั้นเราจะสามารถใช้อำนาจจิตเข้าไปแก้ไขได้หรือไม่ เราจะสามารถเอาชนะศัตรูด้วยอานาจจิตได้หรือไม่เราจะสามารถใช้อานาจจิตบังคับคนอื่นหรือเหตุการณ์ในโลกให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราจะได้หรือไม่อันที่จริงปัญหาเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาให้เข้าใจกันอย่างถ่องแท้มานานและเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าอำนาจจิตคืออะไร และจะเพิ่มพลังจิตให้สูงขึ้นได้อย่างไรการแก้ปัญหาต่างๆจะสามารถทำได้โดยไม่ยากเพราะโดยปกติคนเราก็ได้ใช้อำนาจจิตกันอยู่เป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือจะพูดอะไรเราจะใช้อำนาจจิตกันทั้งนั้นและจะสังเกตได้ว่า ถ้าคนไหนมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นคนนั้นก็อยู่ในฐานะได้เปรียบคนอื่นและจะสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่ยากอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าคนที่จะมีอำนาจจิตเข้มแข็งนั้นสุขภาพทางร่างกายจะต้องสมบูรณ์เพราะหลักธรรมมีอยู่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูป และรูปก็เป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณหลักอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมานานแล้วเพราะหลักธรรมอันนี้ก็คือหัวข้อตอนหนึ่งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขะเพราะฉะนั้นการที่ทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากําลังกิจเกิดจากอาหาร หรือพูดให้ชัดก็คือเกิดจากการเผาผลาญอาหารให้เป็นกําลังงานภายในระบบของเซลล์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ทางพระพุทธศาสนารู้มาก่อนนับเป็นพันพันปีแล้วและการที่พระพุทธเจ้าทรงเลิกการทรมานร่างกายหันมาเสวยอาหารตามปกติเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนั้นก็เพราะภายหลังที่พระองค์ ได้ทรงทดลองทรมานร่างกายโดยวิธีต่างๆจนถึงที่สุดแล้วก็ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีนี้ไม่อาจทำให้ละกิเลสได้ไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่การทรมานร่างกายมีแต่จะทำให้สุขภาพทางร่างกายทรุดโทรมเมื่อสุขภาพทางร่างกายไม่ดีอํานาจจิตก็อ่อน เมื่ออำนาจจิตอ่อนก็ไม่สามารถจะเข้าฌานได้และเมื่อเข้าฌานไม่ได้ญาณต่างๆอันจะเป็นพื้นฐานของการปรสรู้ก็เกิดไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะจิตกับร่างกายมีความสัมพันธ์กันดังที่กล่าวมาแล้วแต่อย่างไรก็ดีขอได้โปรดสํานึกไว้เสมอว่าจิตกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกัน ขอให้นึกถึงคนที่กำลังจะตายซึ่งในขณะนั้นจะต้องมีร่างกายเกิดใหม่ซึ่งเป็นกายทิพย์เป็นกายที่เกิดจากจิตล้วนๆ น, นั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าจิตกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันแน่นอนและจิตเป็นผู้สร้างร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แค่ไหนอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับพลังของจิตหรือคุณสมบัติของจิตด้วยคนที่กำลังจะตายเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้นี่คือพุทธพจน์ที่ทุกคนจะต้องมันนึกถึง บ, บ่อยๆเพราะแม้คนที่จะเกิดมาในโลกนี้ซึ่งมาจากโอปปาติกะนั้นจะเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการแข็งแรง ไม่ชี้โรคอายุยืนก็ขึ้นอยู่กับหลักอันเดียวกันนี้เหมือนกันจิตกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันแต่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนดินกับต้นไม้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากจนเกือบพูดได้ว่าต้นไม้เกิดจากดินเพราะส่วนต่างๆของต้นไม้เปลี่ยนแปลงมาจากดิน แต่กระนั้นก็อย่าลืมว่าความจริงต้นไม้เกิดจากเมล็ดของมันไม่ใช่เกิดจากดินข้อนี้ฉันใดจิตกับร่างกายก็มีอุปมาฉันนั้นเพราะเหตุที่จิตเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างนอกจากร่างกายคือจิตเป็นนามธรรมส่วนร่างกายเป็นวัตถุหรือเป็นรูปธรรมฉะนั้นการที่เราจะเสริมสร้างจิต ให้มีพลังเข้มแข็งที่สุดนั้นย่อมจะต้องมีกรรมวิธีของมันโดยเฉพาะซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ยิ่งกว่าใครในโลก